อธิจิตตศิขาเป็นชนัยพิสุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากกุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌ า, านมีความผ่องใสแห่งจิตนะภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตตกและวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ เพราะปีติสิ้นไปจึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายบรรลุตาติยะฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุธาฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัตโทมนัตก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์นี้ชื่อว่าอธิจิตตสิกขา และก็คือฌานสีนั่นแหละเป็นอธิจิตตสิกขาส่วนอธิปัญญาสิกขาเป็นไงพิกษจนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันให้ถึงความเกิดและความดับคือปัญญาให้รู้ความเกิดความดับเนี่ยนะเกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25เนี่ยนะเป็นการรู้ความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิสูุนนั้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดท im ุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้อาสวะนี้เหตุเกิดให้นี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าทธิปัญญาศิกขาคําว่าความดับของตนเนี่ยนะก็คือพึงศึกษาแม่อธิศีลสิกขาพึงศึกษาแม่อธิจิตสิกขาึ พึงศึกษาแม้อธิปัญญาศิกษาเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อเข้าไปสงบเพื่อเข้าไปสงบวิเศษเพื่อความดับเพื่อความสละคืนเพื่อความระ ง, งับซึ่งราคะโทสะโมหะเนี่ยนะราคะโทสะโมหะที่เป็นอากุศลมูลเนี่ยนะความโกรธความผูกโกรธริษยามานะเป็นต้นเนี่ยตลอดจนถึงอากุศลาพิสังขารทั้งปวงเนี่ยนะพันเมื่อนึกถึงศิกษาสามก็ชื่อว่าพึงศึกษา เพราะฉะนั้นเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่อตั้งจิตก็ก็ชื่อว่าศึกษาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาประกองประคองความเพียรตั้งสติเอาไว้ตั้งจิตรู้ชัดด้วยปัญญาก็ชื่อว่าศึกขาเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ละธรรมะที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งก็ชื่อว่าศึกษา นะพันประพึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อประพฤติอ่าโดยเอื้อเฟื้อด้วยดีสมาทานประพฤติฉะนั้นจึงชื่อว่าพึงศึกษาเพื่อความดับของตนนีนะพันจุดประสงค์ก็คือให้เจริญสิกษาสามเหล่านี้เนี่ยนะเจริญศิกษาสามเพื่อความดับสมุทัยสัตว์ที่มีอยู่ในภายในตนอันกิเลสพวกราคาโทสามโมหะในถ้าหาว่า ไม่เจริญให้ดีให้เพียงพอจริงๆไม่สามารถที่จะดับได้หรอกคือไม่เจริญศิกขาสามเนี่ยนะกิเลสเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าไม่เจริญกุศลธรรมให้ดีเยี่ยมจริงๆเนี่ยไม่สังสามารถจะดับได้ถ้าเปรียบกิเลสเสมือนโรคเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาก็เปรียบเหมือนยาเนี่ยโรคมันมีกําลังขนาดนี้ยาก็ต้องดีจริงนะถ้ายาดีไม่จริงเนี่ยดับโรคเหล่านั้นไม่ได้ สรุปคาถาที่กล่าวไปว่าชนทั้งหลายกล่าวถึงการศึกษาในเพราะกรรมมคุณนะโดยมากนะก็เรียนการมมคุณนี่นะที่เป็นที่พัวพันในโลกบุคคลพึงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการศึกษาหรือในกรรมมคุณเหล่านั้นอย่าไปขวนขวายนะรู้ชัดรู้ชัดอันนี้ก็เป็นชื่อของการรู้อริยสัจรู้ชัดกรรมทั้งหลายคือทั้งวัตถุกรรมกิเลสกรรมโดยประการทั้งปวง พึงศึกษาศิกษาสามเพื่อความดับสมุทัยสัตว์ของตนงนะก็เพื่อดับกิเลสของตัวนั่นแหละคาถาต่อไปว่าบุคคลพึงเป็นผู้มีสัจจะไม่ขนองไม่มีมายาปราศ จ, จากคำส่อเสียดมุนีไม่พึงมีความโกรธพึงข้ามพ้นความโลภอลามกและความหวงแห น, น, นก็ให้พึงมีสัจจะนะ คำว่าพึงมีสัจจะเนี่ยประกอบด้วยสัจจะมีสามนะตรงนี้ยกมาหนึ่งวาจาสัตจคำพูดก็พูดให้มันจริงเนี่ยนะก็ชั้นต้นให้พูดจริงก่อนประกอบด้วยญาณสัจจะยาณสัจจะก็คือสัมมาทิฐิเนี่ยนะแล้วก็ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดสัจจะมีสามอ่ะนะก็แรกก็วาจาสัตจก็สองญาณสัจจะก็สามก็อริยมรรคสัตนะนะเพราะฉะนั้นพึงเป็นผู้มีสัจจะให้มีสัจจะสาม เบื้องต้นให้มีสัมมาวาจาเนี่ยนะยานสัจจะเนี่ยไอ้ขออภัยวาจาสัจอย่างที่สองก็ยานสัจจะสามก็อริยมรตมีองค์แปดที่เรียกว่ามรคสัจเนี่ยนะนั้นให้มีสัจจะอย่างนี้แล้วก็ไม่ขนองไม่ขนองมือไอ้ไม่ขนองกายให้ไม่ขนองวาจาไม่ขนองจิตนันไม่อยู่ในท่ามกลางสงก็ไม่ขนองกายเป็นต้นเนี่ยนะไม่ขนองวาจาไม่ขนองจิต กความขนองทั้งสามอย่างอันบุคคลใดละตัดขาดสงบประงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานบุคคลนั้นเรียกว่าเป็นผู้ไม่ขนองให้เป็นผู้มีสัจจะ น, น, นะนะทั้งวาจาสัจยาณาสัจะอริยมัคขสัจแล้วก็ไม่ขนองทางกายวาจาและความขนองทางใจแล้วก็ต่อไปก็ไม่มีมารยานี่นะไม่มีมายามารยาก็อันเดียวกันถามว่ามายาเป็นยังไง ก็คือความประพฤติลวงหลอกลวงนะเรียกว่ามายาเหมือนคําว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริต ด, ด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริต ด, ด้วยใจย่อมตั้งความปรารถนาลามกเพราะเหตุจะปกปิดทุจริตนั้นคือย่อมปรารถนาว่าใครใครอย่ารู้จักเราว่าเรานี่ประพฤติชั่วดําริว่าใครใครอย่ารู้จักเราคิดว่าใครใครอย่ารู้จักเราแล้วก็กล่าววาจา ว่าตนไม่มีความประพฤติ ช, ชั่วคิดว่าใครๆอย่ารู้จักเราดังนี้ก็บากบันด้วยกายเพื่อจะปกปิดความชั่วของตนนะเรียกว่ามายานะเป็นคนที่มีบาปมีอกุศลเนี่ยก็ปกปิดเก็บเงียบไม่ยอมให้คนอื่นรู้เขาบอกว่าอสัตว์บุรุษเนี่ยนะที่เราจะรู้ลักษณะนิสัยของอสัตว์บุรุษก็คือว่าอสัตว์บุรุษนั้นน่ะเมื่อมีความดีอยู่ในตนแม้เล็กน้อยก็เที่ยวเปิดเผยทรัพ สิ้นเชิงหมดะนะส่วนความเลวที่มีอยู่ในตนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ปกปิดกลบเกลือนไว้เรียบร้อยนะั่นลักษณะของอสสัตว์บุรุษส่วนสัตว์บุรุษนี้ตรงกันข้ามเนี่ยนะคือถ้ามีความชั่วแม้เล็กน้อยก็เปิดเผยความชั่วเหล่านั้นเนี่ยนะเพื่อความสำรวมระวังต่อไปมีความดียิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ปิดเก็บเงียบเนี่ยนะปิดความดีเปิดเผยความชั่วของตนนี่เป็นลักษณะของสัตว์ุรุษ ความลวงความเป็นผู้ลวงกิริยาเป็นเครื่องปกปิดกิริยาที่ซ่อนความจริงกิริยาบังความผิดกิริยาที่ซ่อนความผิดกิริยาที่พรางความชั่วกิริยาที่ซ่อนความชั่วความทําให้หลับความไม่เปิดเผยกิริยาที่คลุมพําความผิดกิริยาที่ชั่วนี้เรียกว่ามายามายานี้อันบุคคลใดละตัดขาดสงบประงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยาน บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีมายานนะก็ละมายาด้วยอริยมรรคโนและคคำว่าสคำสอเสียดเนี่ยนะคำส่อเสียดก็บุคสอเสียดก็คือมุ่งสองอย่างนะมุ่งให้ตนเป็นที่รักกับมุ่งให้เขาแตกแยกกันคำสอเสียดนี้อันบุคคลใดละตัดขาดสงบระงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยาน บุคคลนั้นเรียกว่าผู้ปราศจากคำโสเยดคือมีคําสอเสียดปราศจากไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่มีมายาปราศจากคําสอเสียดคําว่ามุ้นีไม่พึงทําความโกรธเนี่ยนะพึงข้ามพ้นความโลภอลามกและความห่วงแหนคําว่าความโกรธเนี่ยนะความโกรธเกิดขึ้นด้วยเหตุสิบอย่างเนี่ยนะก็คือโกรธว่าคนโน้นเคย ทำความเสียหายให้แก่เรากําลังทําความเสียหายให้แก่เราจับทําความเสียหายให้แก่เราคนโนเนี่ยเคยทําความเสียหายให้แก่ผู้ที่เรารักกําลังทําความเสียหายให้แก่ผู้ที่เรารักจักทําความเสียหายให้แก่ผู้ที่เรารักเราพอใจหรือว่าคนโนเนี่ยนะเคยช่วยเหลือศัตรูของเรากําลังช่วยเหลือจักช่วยเหลือศัตรูของเราหรือบางคนก็โกรธในฐานะที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะที่ไม่สมควรอ่ะก็คือ โกรธดินโกรธฟ้าเนี่ยนะฝนตกก็โกรธฝนไม่ตกก็โกรธเนี่ยนะอย่างในหน้าแปดเนี่ยอธิบายไว้ดีนั่นะว่าผู้ที่มีความโกรธอย่างนี้นะก็คือพวกความปองร้ายความมุ่งร้ายความขัดเคืองความขุนเคือง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 ความโกรธนั้นอันมุนีใดละตัดขาดสงบระงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานมุนีนั้นเรียกว่าผู้ไม่มีความโกรธเพราะมุนีนั้นละความโกรธกําหนดรู้วัต ถ, ถุแห่งความโกรธก็คืออาวัตถุแห่งความโกรธเนี่ยนะมีอาคารตวัตถุเหล่านั้นมาทําปริญญาก็ตัดเสียซึ่งเหตุแห่งความโกรธเหตุแห่งความโกรธก็คือวิชาตันหานั่นแหละเรียกว่าเป็นเหตุแห่งความโกรธก็เป็นผู้ที่ไม่มีความโกรธ ต่อไปก็คือพึงข้ามพ้นความโลภเนี่ยนะก็คือความโลภกิริยาที่โลภความเป็นผู้โลภอภิชาโลภะอากุศลรมูลเพราะฉะนั้นก็ให้ข้ามพ้นความโลภอัลลามกอันนี้แล้วก็ละความตระหนี่คือไม่มีความตระหนี่ก็ความตระหนี่ก็คือความห่วงแหนน่ยนะห่วงแหนที่อยู่หวงเหนสกุลห่วงแหนลาบหวงเหนวันนะผิวพันธุ์คําสรรเสริญหรือแม้กระทั่งห่วงแหนธรรมะเนี่ยนะ โดยที่สุดแมก้กระความยึดถือเอาไว้ไม่ไม่ต้องการให้เป็นสาธารณะแก่บุคคลอื่นนี่แหละเรียกว่าความตรนีนั้นคำว่ามูนีมูนีะนะที่ว่าไม่พึงมีความโกรธพึงข้ามพ้นความโลภอัลามกและความห่วงแหนนั้นคำว่ามูนีก็มาจากโมนียานเรียกว่าโมนะเนี่ยนะได้แก่ปัญญาความรู้ทั่วในหน้า260ที่บายถึงมูนีเนี่ยนะ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 ปัญญาดุดแผ่นดินปัญญาเป็นเครื่องทำลายกิเลสปัญญาอันนำไปรอบปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งสำปชัญญาปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงปัญญาเป็นเครื่องเห็นชัดปัญญาเป็นใหญ่ปัญญาปัญญินีเนี่ยนะปัญญาพละปัญญาเป็นดังสาตราปัญญาเป็นดังปราศาสตรปัญญาอันสว่างปัญญาอันเจ็มแจ้งปัญญาอันรุ่งเรืองปัญญาเป็นดังแก้วความไม่หลงความเลือกเฟ้นรมสัมมาทิฏฐิ บุคคลประกอบด้วยญาณปัญญาดังที่กล่าวไปชื่อว่าเป็นมุนีเนี่ยนะคือผู้ผู้ถึงญาณหรือว่าผู้มีโมยานคือมีโมนยธรรมธรรมที่ทำให้เป็นมุนีเนี่ยนะมี3อย่างคือโมนยธรรมทางกาย1โมนยธรรมทางวาจาหนึ่งโมนยธรรมทางใจเด้วย1นผู้ที่มีโมนยธรรมทางกายก็คือละกายแสตทุจริตสาชื่อว่าโมนยธรรมทางกายกายสุตจริตสามก็เรียก ยานมีกายเป็นอารมณ์การทำปริญญาในกายมักอันสหรคตด้วยปริญญาการละฉันทราคะในกายความดับแห่งกายจสังขารความบรลุดจะตุทะฌานแต่ละอย่างที่กล่าวไปก็เป็นโมเนยธรรมทางกายนะมุ น, นีก็คือผู้ที่ประกอบด้วยโมเนยธรรมทางกายดังที่กล่าวไปส่วนโมเนยธรรมทางวาจาเป็นไนก็คือการละวจีทุจริตสี่อย่าง ก็ชื่อว่าโมเนยธรรมทางวาจาการบเาเพ็ญวจีสุดจริญอย่างยานมีวาจาเป็นอารมณ์การทำปริญญาคือกำหนดรู้วาจามักอันสองรักด้วยปริญญาการละฉันทราคะในวาจาความดับแห่งวจีสังขารคือสัญญากับเวทนาความบรรลุทุติยชารแต่ละอย่างที่กล่าวไปเรียกว่าโมเนยธรรมทางวาจาส่วนโมเนยธรรมทางใจเนี่ยเป็นไนก็คือการละ มโนทุจริตสาการบำเพ็ญมโนสุจริตสาญาณมีจิตเป็นอารมณ์การกำหนดรู้จิตอริยมรรคอันสรรคตด้วยปริญญาการละฉันทราคะในจิตความดับแห่งจิตสังขารความบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธแต่ละอย่างที่กล่าวไปก็ชื่อว่าโมเนยธรรมทางใจสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายได้กล่าวมูนี คือผู้เป็นมุนีทางกายเป็นมุนีทางวาจาเป็นม uh er, ุนีทางใจไม่มีอาสวะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมที่ทำให้เป็นมุนีเป็นผู้ละกิเลสทั้งปวงบันฑดตทั้งหลายได้กล่าวมุนีผู้เป็นมุนีทางกายเป็นมุนีทางวาจาเป็นมุนีทางใจไม่มีอาสวะว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยธรรมที่ทาให้เป็นมุนีเป็นผู้มีบาปอันล้างเสียแล้วนะ